ความหมายลึกลงไปขององค์ธรรมบางข้อตามปกติมนุษย์ปุตุชนทุกคนเมื่อประสบสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออยู่ในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะแปลความหมายตัดสินสิ่งหรือเหตุการณ์นั้นพร้อมทั้งคิดหมายตั้งเจตจำนงแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและกระทาการต่างๆตามความโน้มเอียง หรือตามแรงผลักดันต่อไปนี้คือ 1. ความไฝ่ในการสนองความต้องการทางประสาททั้งห้ในวงเล็บกาม 2. ความไฝ่หรือห่วงในความมีอยู่คงอยู่ของตัวตนตลอดจนการที่ตัวตนจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้และการที่จะดํารงอยู่ในภาวะที่อยากเป็นนั้น ยังยืนตลอดไปในวงเล็บพบ 3. ความเห็นความเชื่อถือความเข้าใจริศดีแนวคิดที่สั่งสมอบรมมาและยึดถือเชื่อชูวไว้ในวงเล็บทิฏฐิ 4. ความหลงความไม่เข้าใจคือความไม่ตระหนักรู้ และไม่กำหนดรู้ความเป็นมาเป็นไปเหตุผลความหมายคุณค่าวัตถุประสงค์ตลอดจนความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆหรือเหตุการณ์ทั้งหลายตามสภาวะโดยธรรมชาติของมันเองความลงผิดว่ามีตัวตนที่เข้าไปกระทาและถูกกระทากับสิ่งต่างๆไม่มองเห็นความสัมพันธ์ทั้งหลายในรูปของกระบวนการแห่งสภาวะธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย พูดสันส้นๆว่าไม่รู้เห็นตามที่มันเป็นแต่รู้เห็นตามที่คิดว่ามันเป็นหรือคิดให้มันเป็นในวงเล็บอวิชชาโดยเฉพาะข้อสามและสี่คือทิฏฐิลอาอวิชชาจะเห็นได้ว่าเป็นสภาพที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันคือเมื่อไม่ได้กำหนดรู้ไม่เข้าใจชัดหรือลงเพลินไป ก็ยอมทำไปตามความเห็นความเชื่อถือความเข้าใจที่สั่งสมอบรมมาก่อนหรือแนวคิดความระพฤติที่ยึดถือเคยชินอยู่อันหนึ่งข้อสามกับสี่คือทิฏฐิกับอวิชานี้มีความหมายกว้างขวางมากรวมไปถึงทัศนคติแบบแผนความระพฤติต่างๆที่เป็นผลมาจากการศึกษาอบรมนิสัยความเคยชิน ค่านิยมหรือคตินิยมทางสังคมการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเป็นต้นสิ่งเหล่านี้แสดงอิทธิพลสัมพันธ์กับข้อหนึ่งและสองคือการและภพกลายเป็นตัวการกำหนดและควบคุมความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคลตั้งต้นแต่ว่าจะให้ชอบอะไรต้องการอะไรจะสนองความต้องการของตนในรูปแบบและทิศทางใด แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างไรคือเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ลึกซึ้งในบุคคลและคอยบัญชาพฤติกรรมของบุคคลนั้นโดยเจ้าตัวไม่รู้ตัวเลยในความเข้าใจตามปกติบุคคลนั้นยอมรู้สึกว่าตัวเขากําลังกระทากําลังประพติอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยตนเองตามความต้องการของตอนเองอย่างเต็มที่แต่แท้จริงแล้วนับเป็นความหลงผิดทั้งสิน้น เราถ้าสืบสาวลงไปให้ชัดว่าเขาต้องการอะไรแน่ทําไมเขาจึงต้องการสิ่งที่เขาต้องการอยู่นั้นทําไมเขาจึงกระทําอย่างที่กระทําอยู่นั้นทําไมจึงประพฤติอย่างที่ประพฤติอยู่นั้นก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวของเขาเองเลยเป็นแบบแผนความประพฤติที่เขาได้รับถ่ายทอดในการศึกษาอบรมบ้างวัฒนธรรมบ้างความเชื่อถือทางศาสนาบ้าง เป็นความนิยมในทางสังคมบ้างเขาเพียงแต่เลือกและกระทำในขอบเขตแนวทางของสิ่งเหล่านี้หรือทำให้แปลกไปอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเอาสิ่งเหล่านี้เป็นหลักคิดแยกออกไปและสำหรับเทียบเคียงเท่านั้นเองสิ่งที่เขายึดถือว่าเป็นตัวตนของเขานั้นจึงไม่มีอะไรนอกไปจากสิ่งที่อยู่ในข้อ 1- นถึงสซึ่งทั้งหมดอยู่ในขันห้าเท่านั้นเอง สิ่งเหล่านี้นอกจากไม่มีตัวตนแล้วยังเป็นพลังผลักดันที่อยู่พ้นอำนาจควบคุมของเขาด้วยจึงไม่มีทางเป็นตัวตนของเขาได้เลยในทางธรรมะเรียกสิ่งทั้งสีนี้ว่าอาสวะและตามรูปศัพท์ว่าสิ่งที่ไหลซ่านไปทั่วหรืออีกนัยยะหนึ่งว่าสิ่งที่หมักหมมหรือหมักดองหมายความว่า เป็นสิ่งที่หมักดองสันดานคอยหมอมพื้นจิตไว้และเป็นสิ่งที่ไหลซ่านไปอาบย้อมจิตใจเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆไม่ว่าคนจะรับรู้อะไรทางอายตนะใดหรือจะคิดนึกสิ่งใดอาสวะเหล่านี้ก็เที่ยวกำซาบซ่านไปแสดงอิทธิพลอาบย้อมหมอมมัวสิ่งที่รับรู้เข้ามาและความนึกคิดนั้นๆ แทนที่จะเป็นอารมณ์ของจิตและปัญญาล้วนๆกลับเสมือนเป็นอารมณ์ของอาสวะไปหมดทำให้ไม่ได้ความรู้ความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นเหตุก่อทุกข์ก่อปัญหาเรื่อยไปอาสวะอย่างที่หนึ่งเรียกกามาสวะที่สองเรียกภวาสวะที่สาเรียกทิฏฐานสวะที่สี่ เรียกอวิชชาสวะอสวะสี่นี้เป็นการแสดงตามแนวอภิธรรมในพระสูตรท่านนิยมแบ่งอสวะเพียงสามอย่างคือไม่มีทิฏฐสวะทั้งนี้พอจับเหตุผลได้ว่าเป็นเพราะในพระสูตรท่านกำหนดเฉพาะอาสวะที่เป็นตัวเจ้าของบทบาทเด่นชัดท่านไม่ระบุทิฏฐสวะ เราอยู่ระหว่างอาวิชากับภาวาสวะกล่าวคือทิฏฐสวะอาศัยอวิชาเป็นฐานก่อตัวและแสดงอิทธิพลออกทางภาวาสวะส่วนในอภิธรรมท่านต้องการจำแนกให้ละเอียดจึงแสดงเป็นสี่ในอัธกถากล่าวว่าทิฏฐสวะรวมลงในภาวาสวะ เพราะความอยากในภพก็ดีความติดใจในฌานก็ดีย่อมมีสัสตาทิฏฐิและอุเชธาทิฏฐิประกอบอยู่ด้วยดูคำแปลาภาษาอังกฤษของทั้งหมดได้จากพุทธธรรมฉบับรับขยายหน้า205จึงเห็นได้ว่าอาสวะต่างๆเหล่านี้เป็นที่มาแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ปุถุชนทุกคน เป็นตัวการที่ทำให้มนุษย์หลงผิดมองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวตนของตนอันเป็นอวิชาชั้นพื้นฐานที่สุดแล้วบังคับบัญชาให้นึกคิดปรุงแต่งแสดงพฤติกรรมและกระทําการต่างๆตามอำนาจของมันโดยไม่รู้ตัวเป็นขั้นเริ่มต้นวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทคือเมื่ออาสวะเกิดขึ้นอวิชาก็เกิดขึ้น และอวิชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารในภาวะที่แสดงพฤติกรรมด้วยความหลงว่าตัวตนทำเช่นนี้จะพูดย้งย้อนความเสียก็ได้ว่ามนุษย์ไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะพฤติกรรมถูกบังคับบัญชาด้วยสังขารที่เป็นแรงขับร้ายสำนึกทั้งสิน้นกล่าวโดยสรุปเพื่อตัดตอนให้ชัดภาวะที่เป็นอวิชชา ก็คือการมองไม่เห็นไตรลักษณ์โดยเฉพาะความเป็นอนัตตาตามแนวปฏิจจสมุปบาทคือไม่รู้ตระหนักว่าสภาพที่ถือกันว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นเป็นเพียงกระแสะแห่งรู ป, ปธรรมนมามธรรมส่วนย่อยๆต่างๆมากมายที่สัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นเหตุปัจจัยสืบต่อกันโดยอาการเกิดสลายเกิดสลายทาให้กระแสะนั้น อยู่ในภาวะที่กำลังแปรรูปอยู่ตลอดเวลาหรือพูดให้ง่ายขึ้นว่าบุคคลก็คือผลรวมแห่งความรู้สึกนึกคิดความปรารถนาความเคยชินความโน้มเอียงทัศนคติความรู้ความเข้าใจความเชื่อถือตั้งแต่ขั้นหยาบที่ผิดหรือไม่มีเหตุผลจนถึงขั้นละเอียดที่ถูกต้องและมีเหตุผลความคิดเห็น ความรู้สึกในคุณค่าต่างๆเป็นต้นทั้งหมดในขณะนั้นๆที่เป็นผลมาจากการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมการศึกษาอบรมและปฏิกิริยาต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นภายในและที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายอันกำลังดำเนินไปอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่ตระหนักรู้เช่นนี้จึงยึดถือเอาสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นตัวตนของตนในขณะหนึ่งหนึ่งเมื่อยึดถือสิ่งเหล่านี้เป็นตัวตนก็คือถูกสิ่งเหล่านั้นหลอกเอาจึงเท่ากับตกอยู่ในอำนาจของมันถูกมันชักจูงบังคับเอาให้เห็นว่าตัวตนนั้นเป็นไปต่างๆพร้อมทั้งความเข้าใจว่าตนเองกำลังทำการต่างๆ ต, ตามความต้องการของตนเป็นต้น ที่กล่าวมานี้นับว่าเป็นคำอธิบายในหัวข้ออวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารในระดับที่จัดว่าละเอียดลึกซึ้งกว่าก่อนส่วนหัวข้อต่อจากนี้ไปถึงเวทนาเห็นว่าไม่ยากนักพอจะมองเห็นได้ตามคำอธิบายที่กล่าวมาแล้วจึงข้ามาถึงตอนสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือตันหาเป็นปัใจจัยให้เกิดอุปาทานซึ่งเป็นช่วงของกิเลสเหมือนกัน ตัญหาทั้ง3อย่างที่พูดถึงมาแล้วนั้นก็คืออาการแสดงออกของตัญหาอย่างเดียวกันและมีอยู่เป็นสามัญโดยครบถ้วนในชีวิตประจำวันของปุทุชนทุกคนแต่จะเห็นได้ต่อเมื่อวิเคราะห์ดูสภาพการทำงานของจิตในส่วนลึกเริ่มแต่มนุษย์ไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่รู้จักมองสิ่งทั้งหลายในรูปของกระบวนการแห่งความสัมพันธ์กันของเหตุปัจจัยต่างๆตามธรรมชาติ จะมีความรู้สึกมัวมวอยู่ว่ามีตัวของตนอยู่ในรูปใดรูปหนึ่งมนุษย์จึงมีความอยากที่เป็นพื้นฐานสำคัญคือความอยากมีอยู่เป็นอยู่หรืออยากมีชีวิตอยู่ซึ่งหมายถึงความอยากในตัวตนในความรู้สึกมัวมวนั้นคงอยู่ยั่งยืนต่อไป ในที่นี้แปลการมาตันหาว่าอยากได้ภพระวตันหาว่าอยากเป็นอยู่วิภวะตัญหาว่าอยากให้ดับศูน์แต่ความอยากเป็นอยู่นี้สัมพันธ์กับความอยากได้คือไม่ใช่อยากเป็นอยู่เฉยๆแต่อยากอยู่เพื่อเสวยสิ่งที่อยากได้คือเพื่อเสวยสิ่งที่จะให้สุขเวทนา สนองความต้องการของตนต่อไปจึงกล่าวได้ว่าที่อยากเป็นอยู่ก็เพราะอยากได้เมื่ออยากได้ความอยากเป็นอยู่ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อความอยากเป็นอยู่รุนแรงอาจเกิดกรณีที่หนึ่งคือไม่ได้สิ่งที่อยากทันอยากจึงเกิดปฏิกิริยาขึ้นคือพบหรือความมีชีวิตเป็นอยู่ในขณะนั้น ไม่เป็นที่น่าชื่นชมชีวิตขณะนั้นเป็นที่ขัดใจทนไม่ได้อยากให้ดับสูญไปเสียความอยากให้ดับสูญจึงติดตามมาแต่ทันทีนั่นเองความอยากได้ก็แสดงตัวออกมาอีกจึงกลัวว่าถ้าดับสูญไปเสียก็จะไม่ได้สวยสุขเวทนาที่อยากได้ต่อไปความอยากเป็นอยู่ จึงเกิดตามติดมาอีกในกรณีที่สองไม่ได้สิ่งที่อยากหรือกรณีที่สได้ไม่เต็มขีดที่อยากได้ไม่สมอยากหรือกรณีที่สได้แล้วอยากได้อื่นต่อไปกระบวนการก็ดำเนินไปในแนวเดียวกัน แต่กรณีที่นับว่าเป็นพื้นฐานที่สุดและครอบคลุมกรณีอื่นๆทั้งหมดก็คืออยากยิ่งขึ้นไปเมื่อกำหนดจับลงที่ขณะหนึ่งขณะใดก็ตามจะปรากฏว่ามนุษย์กำลังแสหาภาวะที่เป็นสุขกว่าขณะที่กำหนดนั้นเสมอไปอุถุชนจึงปัดหรือผละทิ้งจากขณะปัจจุบันทุกขณะ ขณะปัจจุบันแต่ละขณะเป็นภาวะชีวิตที่ทนอยู่ไม่ได้อยากให้ดับสูญหมดไปเสียอยากให้ตนพ้นไปไปหาภาวะที่สนองความอยากได้ต่อไปความอยากได้อยากอยู่อยากไม่อยู่จึงหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของมนุษย์ปุถุชนแต่เป็นวงจรที่ละเอียดชนิดทุกขณะจิตอย่างที่แต่ละคนไม่รู้ตัวเลยว่า ชีวิตที่เป็นอยู่แต่ละขณะของตนก็คือการดิ้นรนให้พ้นไปจากภาวะชีวิตในขณะเก่าและแสหาสิ่งสนองความต้องการในภาวะชีวิตใหม่อยู่ทุกขณะนั่นเองเมื่อสืบสาวลงไปยอมเห็นได้ว่าตัญหาเหล่านี้สืบเนื่องมาจากอาวิชชานั่นเองกล่าวคือ เราไม่รู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่รู้จักมันในฐานะกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันจึงเกิดความเห็นผิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องตัวตนขึ้นมาในรูปใดรูปหนึ่งคือเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีตัวมีตนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแน่นอนตายตัวซึ่งจะยั่งยืนอยู่ได้เป็นสัสตาทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงว่ายั่งยืนตายตัว หรือไม่ก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายแตกดับสูญสิ้นสลายตัวหมดไปได้เป็นสิ่งสิ่งเป็นชิ้นชิ้นเป็นอ น, นันต์ไปคืออุเฉทาทิฏฐิความเห็นว่าขาดสูญตัดขาดลอยตัวทั้งสองอย่างนี้เป็นความเห็นผิดว่ามีตัวตนในรูปใดรูปหนึ่งทั้งสิ้นอย่างแรกชัดอยู่แล้วแต่อย่างหลังอธิบายสั้นๆได้ว่า เราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีตัวมีตนเป็นจิ้นเป็นอันเป็นส่วนๆจึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้หรือตัวตนเหล่านี้สูญสิ้นดับหายขาดห้วนหมดไปได้มนุษย์ปุตุชนทุกคนมีความเห็นผิดในรูปละเอียดอยู่ในตัวทั้งสองอย่างจึงมีตันหาสามอย่างนั้นคือเพราะเข้าใจมืดมัวอยู่ในจิตส่วนลึกว่า สิ่งทั้งหลายมีตัวตนยั่งยืนแน่นอนเป็นชิ้นเป็นอันจึงเกิดความอยากในความเป็นอยู่หรือภาะวะตัญหาได้และในอีกด้านหนึ่งโดยความไม่รู้ไม่แน่ใจก็เข้าใจไปได้อีกแนวหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอันแต่ละส่วนละส่วนไปมันสูญสิ้นหมดไปขาดหายไปได้ จึงเกิดความอยากในความไม่เป็นอยู่หรือวิภาวะตันหาได้ความเห็นผิดทั้งสองนี้สัมพันธ์กับตันหาในรูปของการเปิดโอกาสหรือช่องทางให้ถ้ารู้เข้าใจเห็นเสียแล้วว่าสิ่งทั้งหลายเป็นกระแสะเป็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันก็ยอมไม่มีตัวตน ที่จะยั่งยืนตายตัวเป็นชิ้นเป็นอันได้และวก็ย่อมไม่มีตัวตนเป็นชิ้นเป็นอันที่จะหายจะขาดสูญไปได้ภวะตันหาและวิภวะตันหาก็ไม่มีฐานที่ก่อตัวได้ส่วนกามตันหานั้นก็ยอมสืบเนื่องมาจากความเห็นผิดทั้งสองนั้นด้วยรอกลัวว่าตัวตนหรือสุขเวทนาก็ตาม ขาดศูนย์สิ้นหายหมดไปเสียจึงเร่าร้อนแสหาสุขเวทนาแก่ตนและเพราะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอันแน่นอนคงตัวอยู่ได้จึงดิ้นรนไขว่คว้าประทาย้ำให้หนักแน่นให้มั่นคงอยู่ให้ได้ในรูปที่หยาบตันหาแสดงอาการออกมา เป็นการดิ้นรนแสหาสิ่งสนองความต้องการต่างๆการแสหาภาวะชีวิตที่ให้สิ่งสนองความต้องการเหล่านั้นความเบื่อหน่ายสิ่งที่มีแล้วได้แล้วเป็นแล้วความหมดอะไรตายอยากทนอยู่ไม่ได้โดยไม่มีสิ่งสนองความต้องการใหม่ๆเรื่อยๆไปภาพที่เห็นได้ชัดก็คือมนุษย์ที่เป็นตัวของตัวเองไม่ได้ ถ้าปราศจากสิ่งสนองความต้องการทางประสาททั้งห้าแล้วก็มีแต่ความเบื่อหน่ายว้าเวทนไม่ได้ต้องเที่ยวดิ้นรนไขวาคว้ า, วาสิ่งสนองความต้องการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อหนีจากภาวะเบื่อหน่ายตัวเองถ้าขาดสิ่งสนองความต้องการหรือไม่ได้ตามที่ต้องการเมื่อใดก็ผิดหวังหมดอะไรตายอยากเบื่อตัวเองชังตัวเองความสุขความทุกข์ จึงขึ้นต่อปัจจัยภายนอกอย่างเดียวเวลาว่างจึงกลับเป็นโทษเป็นภัยแก่มนุษย์ได้ทั้งส่วนบุคคลและสังคมความเบื่อหน่ายความซึมเศร้าความว้าเวความไม่พอใจจึงมีมากขึ้นทั้งที่มีสิ่งสนองความต้องการมากขึ้นและการแสวงหาความร้อนรือทางประสาทสัมผัส ต, ต่างๆจึงหยาบและร้อนแรงยิ่งขึ้น การติดสิ่งเสพติดต่างๆก็ดีการใช้เวลาว่างทำความผิดความชั่วของเด็กวัยรุ่นก็ดีถ้าสืบค้นลงไปในจิตใจอย่างลึกซึ้งแล้วจะเห็นว่าสาเหตุสำคัญก็คือความทนอยู่ไม่ได้ความเบื่อหน่ายจะหนีไปให้พ้นจากพบที่เขาเกิดอยู่ในขณะนั้นนั่นเองในกรณีที่มีการศึกษาอบรม การได้รับคำแนะนำสั่งสอนทางศาสนาการมีความเชื่อถือในทางที่ถูกต้องการยึดถือในอุดมคติที่ดีงามต่างๆในวงเล็บในข้ออวิชาตัณหาย่อมถูกชักจูงมาใช้ในทางที่ดีได้จึงมีการทำดีเพื่อจะได้เป็นคนดีการขยันมันเพียรเพื่อผลที่หมายระยะยาวการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเกียรติคุณหรือเพื่อไปเกิดในสวรรค์ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตลอดจนการอาศัยตัหาเพื่อละตัณหาก็ได้